ทำกันเพื่อนำมาปฏิบัติแต่าอนี้เราก็มาเข้าคอดเข้าแบบเข้าพิมพ์เพื่อจำหน้าหล่อหลอมชีวิตของเราไม่เป็นเพราะในใจขึ้นมาโดยอาศัยรูปแบบต่าง การถือบวชผมจีวรห่ผมผ้ากาสพัวะษ์่มขาวห่มสีไหนก็ตามมาอยู่ในวัดวารามมีพิธีเาสัพิธีจิตวัดวิธีวัดประจำวันเฝินเช้ากันมาตีจีก็มาร่วมกันทําวัดสวดนน ออกเสียงปนมมืออยู่ในท่าตั้งใจตั้งกายต่อยายพระสูตร์ที่เป็นคำสอนมีสติจิตใจใจตามเราได้เหมือนดอกไม่ต่างต้นต่างสีต่า ง, า ง, างลักษณะหรือว่าลูกต่างพ่อต่างแม่ต่า ง, า ง, างานิชัยใจคอ มาเข้ากรอบมาเข้าแบบมาเข้าพิมพ์ก็เหมือนดอกไม้ก็มาเอาเช่นได้มาล้อยเข้ากันกลายเป็นพวงมาลัยเราก็เป็นคนละนิสัยใจคอมาทำเปันเดียวกันมีสติโดยอาสัยวิชากรรมาฐานดูแลกายใจของตน ตามรูปแบบของกรรมฐานรือภาษาคำพูดก็บอกไปอีกมีการกระทาบอกไปอีกมีที่ตั้งแห่งการกระทบหลงไปอีกเมื่อเข้าแบบเข้าพิมพ์เหมือนอิดหินดินปูนซอยมารวมกันเข้าน้อมปูนลงไปจะเนื้อเดียวกันเทใส่พิมพ์ รูปของพระก็เป็นผระลูกของต้นเสาสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมก็เป็นต้นเสากลายเป็นคอนกรีตแกะแต่งไม่ใช่เลือกหินเ ล, เลือกปูนเลือกทรายเลือกเป็นคอนกรีตแต่ป็นเด็นเป็นหินเป็นปูนทรายอยู่คนละที่มันมีกำลังได้ประโยชน์ไม่คยได้พอมาเข้าแบบก็เป็นเข้าลูก กำ บ, บัวิธีการเป็นคลองติดร้อยปีหลายร้อยปีส้างตึดสร้างบ้านสร้างสะพานใหญ่โตๆให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยฉันเลยก็ดีทำบ้านวินยัยรูปแบบกรรมฐานหลักการปฏิบัติต่างๆเหมือนกัน มามีสติเป็นกรรมฐานในที่ตั้งของการกระทําในภาวนาขยันจบมาใสจับบ้าใสมันหลุดออกไปจับบ้าใยการใดที่มาหลุดออกไปนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิใจชิดเดือดหลุดออกไปให้กลับมาลู่จากตัวมาเป็นเดียวกัน ควมคิด ก, ค ก, ก็เป็นความลู่ตาเห็นรูปก็เป็นความลู่หูได้ยินเสียงก็เป็นความลู่จมูกได้กินก็เป็นความลู่ลิ้นไหนลรสกายสัมปัติใจคิดไปก็ได้ความลู่อย่าให้เพ่งความพอใจไม่พอใจแต่กอดมันก็เจ้าก็าย ก, ก็ยกช่วยก็ใจย็ช่วยก็ะจาไปคนร่อนทางตาก็เหมือนกัน หวังเกิงูซะหวังเกิดลูกจะโบก็หวานสุนัขอยู่ในแดดบ้านเรื่งขวานจระเข้เรื่องต่างๆตามที่พระเจ้าวันหยัดเปรียบเทียบไปคนละทางเมื่อไปคนละทางก็มาอันเดียวกันกลับมาถึงใจพอใจไม่พอใจอย่างนี้ มันก็ไปไกลจนถึงความพอใจไม่พอใจโวยที่สุดก็ใจเป็นที่รับเปิดเพื่อนไปหมดเลยอันนั่นก็ดึงออกมานี่ก็ดึงออกมามาสู่ที่จิตใจใจก็มาดีๆก็เปิดเพืเ่อนไปหมดกลายเป็นนิสยัยหลา่คาจะลุดโทสะจะหลุดโมหาจลุดก็ทำตามนิสัยของตนก็ไคนลทิศลทาง เกิดปัญหาขึ้นมาต่อตัวเองด้วยต่อคนอื่นด้วยพอจึงมาอาเสกัรมาถานดึง ก, กลับม า, ล ก, า ก, กลับมาลู้เจักตัวกลับมาลู้เจาตัวกลอบมาลูเจากตัวโดวยการนั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนลกบองทีพะสิท ธ, ธิฐาได้ศึกษาในปฏิบัติกรารเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลก ทำๆอย่างนี้เรามีแบบอย่างนี้มาเข้าพิมพ์อย่างนี้หรือแบบโสสีเหลี่ยมก็ทําแบบอย่างนี้เราอยากเป็นคอนยีก็มาเข้าแบบแบบนี้อย่าเป็นเศษถ้าไม่เข้าแบบก็เป็นขยอบเป็นเศษไปเอาไปทิ้งระวังดีมีสติทำได้ทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นมากลับมานี่กลับมานี่ทุกคนทําได้ ไม่ใช่ทำไม่ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ความหลงกาลดด า, กงายเป็นความรู้ได้ความทุกข์กลายเป็นความรู้ได้ความโกรธเกิดตัญหาหลัะอะไรกลายเป็นความรู้ได้ความเพ่งสั่นกลายเป็นความรู้ได้การงงเหงาหอนก็กลายเป็นความรู้ได้มาลงนี่เราทั้งหมด อตน้นฝึกต้นสอนต น, น, ตนทวนกระแสสักหน่อยมันเคยไหลมันเคยดื้อเหมือนกับความดื้อมีอยู่ห้าอย่างรูปมันดื้อเวทนาก็ดื้อ ส, อสอัญญาก็ดื้อสังขารก็ดื้อวิญญาณก็ดื้อแต่ว่าขันธ์หน้าเรากลัาทุบทานไปยืดว่าตัวเราไล่ความดื้อเข้ามา เมื่อมีความดือ้อก่อขึ้นก็ไปถึงจิงอืน่นบวดไม่ได้สอนมา ไ, ได้พอจะดพี่ความรู้เจ้ตัวขึ้นบางเอาความมั่วบ้าใส่เหนต่อมาขึ้นออนแอนี่นมันดื้อเรียกว่านิวรณและทอมขวงกร้นไม่มถีติได้แล้วก็จะได้เห็นชิเหล่า น, นี้ ไม่มีใครไม่เห็นเป็นผู้ขอลู ก, กเลิกพราะผพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าร่าก็ะ่านลูกดีเหมือนกันเหมือนกันหมดอย่าถือว่าตัวเราคนเดียวหวามง่วงเหงานอนความหมล ง, งเหลือสองสอยความคิดพุ้งซ่อนอาจจะเกิดไปบาดหรือกล่มมาลอกขาขึ้นมาผลเคยมี ก่อนเคยใ่อย่างน้นก็ไหลไปทางนันไหลไปทางนั้นงนนน่ายเหมือนน้าไหลจ า, ากที่สูงสู่ที่ต่ำง่ายที่จะไหลไปทางนั้นไมก่กัไม่ขังไหลหมดเลยเหยมือนน้ำลำบากเทาเติมขึ้นมาแต่ก่อนไหลเทิงไปหลเลงไปน้ำไ ม, ม่ไม่มาน้าที่มันอยู่ที่เขาไหลไปหมด มัอนน้ำไหลสอบวันนี่แต่ก่อนเติมฟังเลยนี unda, แห้งลงไปไม่มีน้ำใหม่ไหลมาก็จะอาจจะหมดได้ชีวิตเมื่อหมดความดีก็เป็นเติด เ, เป็นชุลกายเป็นสันโลกเป็นดิรชนมันหมดความดีนั่นเองอันจึงเป็นเติดหมดความดีอจึงเป็นสนรกหมดความดีจึงเป็นอาชลกายหมดความดีจึงเป็นดิราน มันเป็นอ บ, บายมันจนแล้วอาภัพแล้วเพราะช้ชยยีวิตไม่เป็ น, เ, ปนเอาความลื้อดนันเอาความมาใช้ตัวตนมาเป็นตัวเป็นตนแทนเรื่ความโกรธก็น้อาเราโกรธวงทุกข์ก็ต้อว่าเราทุกข์มันก็เลยหมดความดีไห้ทุกข์เป็นทุกข์ให้หลงเป็นหลงให้โกรธเป็นโกรธ ความไม่หลงก็มีในความหลงนั่นความไม่โกรธก็มีในความโกรธนั่นความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ในความทุกข์นั่นไม่เคยเปลี่ยนเลยทำต า, ามมันมานานแล้วเมื่อมามีสติันก็สู้แล้วไม่เคยใช้จิตไม่เคยใช้นามใช่จิตใจหล่อเห็นลูกพอใจไม่พอใจบ้าง หูเดียนเสียงก็พอ r จบ้างไม่พอใจบ้างอันเึ็นอย่างนั้นใจรือไหมวันนี้วิะเจ้าบอกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกจะได้ไม่มีสติกับไม่มีสติอย่างนี้วิเจ้าอาจะคิดหลังก็กกอาจจะคิดเจงกว่าเราด้วยพราะบกุกเบิกไม่มีพูดใด สูไปบุกเบิกไปใสเวไปหลงทิศหลงทางไปไม่เจ็บไม่หลับหลงทางหกปีศึกษาเรื่องนี้ปีที่หที่ได้พบทางกรรมฐานดีกูาานนแขงเข้าอยแขนออกเนี่ยมันจะเห็นการแสดงออกมาทุกรูปแบบเป็นชมทางที่ผ่านเหมือน กรรมฐานนี่เป็นป้อมปาการที่จะมีค้าศึกเข้ า, ขามาทำลายเมื่อมีป้อมปราการมีิอยู่มวนก็เห็นข้าศึกแต่ดีเหมือนกับกําลังคนสอมารถลบค่าศึกได้เพราะมีใช้ป้อมที่ดีมันเห็นหมดเนี่ยก็ ไม่มีสติมันกันหลับท้ามุขค่ะสิ่ก็เข้ามาคุกคามได้แตงมีสติอยู่ทุกเมือ่อเธอจงมีสติทุกเมือ่องัดจุู่แจะตามไม่ทันความเจ็บความเจ็บความตายจะตามไม่ทันอันนี้การบรินความพูดที่แรกก็ทำอย่างนี้เลยพอมันหลงไปทางไหนก็ลูบขึ้นมาเน่ยลูบขึ้นมาเนี่ยทได้อยู่ทุกคนทําได้อยู่ มีวิชากรรมฐ า, านเขาผู้เขียนเขาเหยื่อฉันออกสี่จังหวะเคลื่อนไหวไปมามีรูปแบบเป็นตัวหนังสือแต่ก่อนเป็นตัวหนังสือเขียนไว้ในลานธรรมวัดไตรภิโดก็ ท, ทีนั้นเอามาเป็นรูปแบบตัวหนังสือมาเป็นรูปแบบผู้เขียนเขาเหยื่อนออกคือรูปแบบ สุภาพรูปแบบมีสองปุ่มว่าจะได้เห็นเด่นๆใครเดินผ่านไปทางลานทองนอกจากนั้นก็มีเสมาธรรมจักที่มันแสดงออกเปนรูปต่างๆเรียกว่าอิทัิปยาตาปฏิจจสมุ ป, ปบาท อริสตสี 4, อยู่ที่ทํามาจากการเป็นธรรมะจากจักแขงทํามหมุนไปที่ไหนเห ย, ยียบย่อมความโกดความโลภความหนุ่งเลียบไปเลยจากแขงทําว่าไปเลยกู้หลงลงมงายเลียบไปเลยใจเน้อเลียบไปเลยเหมือนใบม็ดแท็กเตอร์ที่มันผ่านอะไรก็เลียบไปทั้งนั้นแต่ว่าเสยมะธรรมาจาก อยู่ที่นั่นเป็นรูปเป็นแบบนื่นคือหลักการปฏิบัตินี้เองแล้วก็มีคําสอนย่อๆโดยพราะคำสอนย่อๆนี่เอามาจากภูเทียนมีสติดูกาเห็นจิตมีสติดูกาเคลื่อนไหวเห็ในใจคิดนึกเนี่ยมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็ในใจเบื้อิดเป็นพระตรงนี้ ว่าใช่พระออกมาจากรูปแบบเล้สอนการได้สอนใจหรอกมีจุดดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมาชิดหมดเลยคุมได้ป้อมปากา่อนพระเจ้าก็ว่าอีกกัดไว้อีกเพื่อสำหรับสนหมุนเพื่อให้เข้าใจวพ่อเทียนก็ไ่รู้หนังสือไม่เคยอ่านหนังสือ เอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตาลาฝึกไปเลยฉันหนังสือไยไม่เป็นหลวงพ่อเทียนฉันเป็นเป็นแต่ภาษาลาวเอหลวงพ่อเทียนเป็นพ่อข้าอยู่เมืองลาวมเมืองไทยเร่งเดือไปน้ำขุ่จากหลวงพ่อบางถึงบอกเทถึงเทเทาถึงกับตืปืนนู่น ขายเกลือให้ประเทศเราประเทศเราเขาไม่มีเกลือไม่มีบอกเกลือมันว่านเราพูดภาษาเราเรียนตำหนสือเราอ่ามันชื่อใจก็อา่อ า, าไม่ก็ได้แต่ว่าเขียนก็ไม่เป็นหัดใหม่เมื่อบวชบา น, นี่เองก็เทียนมีสติดูกย่ยเคลื่อนไหวเห็นใจคิดดึก อาภิจาโกสตางออกมาพึงหัดเห็นอยู่นี้ก็ดีว่ามีดู๋ยวก็ตู้แขนเข้าใหญ่แนดอกมีสติสมสัญญาถอนความพอใจและความว่าพอเจอนโลกเสียได้ตู้แขนเข้าใหญ่แขนออกมีสติสัมชัญญาถอนสุขถอนทุกขอ์ออบไได้นี่ว่าเป็นธ ถอนควมจบความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจในโูกออกมาได้มีสติสามัญญะดูขขฉันเข้าเหยียดฉันออกถอนความพอใจและความไม่ใจที่กำเนิเกิดจากความคิดอ้าวเห็นหมดเลยเนี่ยเกิดนั้นกายก็เห็นกายเวทนาที่เป็นจบทุกข์ก็เห็นเหมือนคิดคก็เห็นแล้วบ้ถอนหรว่มามันเกิด อย่าให้เป็นสุขผความคิดอย่าให้เป็นทุกข์ความคิดบางทีก็คิดกับวกพาให้หลงได้อันหลงไปจุดที่คิดนี่มากกว่าจุดอื่นถ้ามีสติเห็นถอนลงมาอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดหลวงพ่อท่านก็สอนว่าอย่าเข้าไปในความคิดให้เห็นเหมือนคิด นั่นแหลถอนถอนออกมาซะมารู้สึกตัวสะเอาความคิดแต่มันคิดออกมารู้สึกตัวอย่ายุ่งอย่ายากสร้างความยากให้กับตัวเองโดยความคิดส่วนมากคนจะสร้างปัญหาหกับตัวเองเพราะความคิดคิดขึ้นมาเกิดปัญหา มากมายหลายอย่างทัลกรู้จากตัวสาอย่างนี้มันจะไปทางไห น, เ, นเอาวันครบรอบเียกนีทำเิดขึ้นอไที่มันไม่เที่ยงก็มีความนทุกข์ก็มีความไม่ใช่ถูตนก็มีเมื่อมาจะล้งออกถึงความไม่เที่ยงก็อย่าทุกข์ประความไม่เที่ยงอย่าทุกข์ประความทุก ถอนหลบมาอย่าทุกข์ากครมาใช่ตัวตนหลนักความาเที่ยงมาใช่ตัวตนความทุกข์ก็มาใช่ตัวตนอย่าเข้าไปเป็นตัวเป็นตนถอนหลบมารู้สึกตัวซะมันจะเห็นทุกคนนั่นละ่ะไม่ปิดบังเลยเปิดเผยนี่แหละเปิดของที่ปิดไว้หายของที่พ่วมขึ้นมาคือการเจริญสตินี่ ตอนการทำจดุดดติก็จะไม่มีประสบการณ์ไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเราโดยแก้ไขได้เปลี่ยนล้ายเป็นดีได้พัฒนาชีวิตขึ้นมาตอนทำแมนี้มันก็มีอะไรเกิดขึ้นหลืออย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาเกิดเป็นการสร้างบารมีฐานบารมีศีลบารมีปฏิฐานบารมี สัจจกปรามีขันติปรามีเกิดขึ้นมากมายปรามีสิบทัานนี่อยู่ในนี่รือแสดงออกเป็นทอมเป็นคุณธทองอาจจะเป็นโพธิสัตว์คิดจะช่วยคนอื่นที่จะจะช่วยตัวเองขึ้นมาหรือเป็นนักลักคิดะลักทาสจิงอะไรต่างๆครบหมดเลยกอนสร้างปรมีเนี่ย หรือว่ามาสร้างบารมีเกิดมานี่คือมาสร้างบามีการปฏิบัติธรรมเล่เกิเดความเลขึ้นมากมายกายจากใจให้เราศึกษาด้แบบด้วยแผนเราก็มีประโยชน์มากกายนี่ใจนี่เพราะมันมีมือมีขามีแขนมีปัญญาในความรู้ความรู้ที่เกิดจากชีวิตนึงเป็นประโยชน์ สร้างโลกได้ถ้าไม่มีความรู้เป็นโทษทําลายโลกได้เราจึงมาเริ่มต้นกันนี่กันเถอะทุกคนก็มีค่าเราสร้างตรงนี้ถ้าไม่สร้างตรงนี้ทุกคนก็ไม่มีค่าเลยด้วยการลำบากแม้แต่เราก็เพิ่งตัวเราไม่ได้ใช้ใครเป็นได้พึ่งตัวเราก็ไม่เป็นธรรมต่อตัวเรา พอเรียนแ้แต่กายใจก็ยังไม่เป็นทอมหลอกกันกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์ตอนที่จะช่วยกันกายรักษาใจใจรักษากายที่เป็นการละยำมิตรเมื่อมีการระยำมิตรเอาสิ่งต่างๆมาเป็นกนารระยำมิตรปกคุณความทุกข์ ก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่มีความไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์ประความทุกข์แท้ๆอบคุณความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงมันมีความไม่เที่ยงมันจึงไม่เป็นทุกข์มันไม่ความไม่เที่ยงมันจึงไม่มีทุกข์มันบอกมันเลื่อนถานะได้ทำไมจะมาใช้เรียกว่าบันมี เรียกบรารมีม่ันไม่ทุกข์ประมวลเปทุกมันไม่ทุกข์ประวมวลไม่เที่ยงมันไม่ทุกข์ประว ม, ม, ม, มระวลไม่ใช่ตัวตนนี่คือบรารมีบรารมีคือสร้างเราวาสนาคือแต่งเราอย่างนี้บุญวาสนาคือทําอย่างนี้สิ่งที่คนอื่นเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์เนี่ยคือคนมีบุญมีวาสนาะ ม่ใช่ว่าสนะอ้อนวอนว่าเราคิดเราขออย่างนั้นอย่างนี้ว่าชนะอ้อนวอนพนุ่งนี่เดือนนี้เดือนนี้ปีหน้าชาติหน้าอยู่ที่ไหนแม้แตเจ็ดโงเช้าเราก็ยังไม่เห็นเจ็ดโมงครึ่งเรายังไม่เห็นไม่ได้กินข้าวเลยมันไม่มีเดี๋ยวนี้ มันจะหลายไปเองเราต้องเอาเดี๋ยวนี้จะจดิดจนเจ็ตรงขึ้นทาความดีเดี๋ยวนี้แม่กลัวทาอาหารเดี๋ยวนี้กวัวจะเจดบก็เจ็บโมงขึ้นโูงเข้าทาอาหารให้เรากบเราฉ่อนเราเคี่ยวเราในชีวิตยอยู่เพื่อทาความดีถ้าไม่เริ่มเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอาหารกินเจ็ดโมงเช้า ถ้าไม่มีทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทำถ้าไม่มีบุญเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีบุญต่อไปจึงเริ่มเดี๋ยวนี้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจันจ์จัดอะไรที่เราสาเทียพระชุนธรรมปัจจุบันให้แจ่มแจ้ ง, งโดยกรรมฐานนี่ทุกวินาทีก็ว่าได้สี่จังบอกสบสี่วินาทีรู้ทุกวินาทีนี่ มันจะมีปัจจุบันที่ดีที่สุดได้มีอดีตที่ดีที่สุดมีอนาคตที่ดีที่สุดเราไปเสีตัวนี้ก็เท่ากับเราไปเสียตัวเองเอานนี้ใจใจคอมาอ้างอ้างโน่นอ้างนี่ไปเสียตัวเองไปเสียความดีทั้งเหดี๋ยวนี้มีลมหายใจอยู่น่าจะทําได้ ในชีวิตอยู่นี่น่าจะทำได้ไม่ได้ว่าความแฉความเจ็บทำได้ทุกเวลาไม่มีการมีเวลาเราจึงเริ่มต้นเวลานี้รวยกรรมฐานวิชากรรมฐานเท่านั้นที่เป็นจิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้อนอนเนไม่ศักดิ์สิทธ ไปหาความจักสิตตรงไหนกันแม่น้ำจักสิตภูเขาจักจิตอะไรจักจึกตเลกล่าวไว่ามันก็ตั้งต้นไม้ภูเขาสัตว์แม้แต่ไส้กอกแมวก็ยังไปเอามาคุณช่วมสักสิตเอามาบูชาไส้กรอกเบล้นลึกลับสื่พินะมพ์เมนูไส้กอกเบว ซื่อไซกรอกมาว่าจะวาดินม่ให่ออกเป็นรูปแมวตัวน้อยตัวหนึ่งรลเป็น แ, บบแปะเอามาวางไว้บนหิ้งคนไปเห็นขอหวยเป็นศักดิ์สรีติองเชิญบูชาัพราะนั่นหรือศักดิ์รีอ่ะอันเป็ียนความชั่วเป็นความดีไม่ศักดิตต์ศรกว่าหรือแต่มันไม่เปลี่ยนตรงนี้เปะไส้กกเปี่ยงเปเป็ดก็ศักดิ์ มันมาหางโง่ไปแล้วคนแท้ๆมีสติปัญญาทำไมไม่คิดเอาสิ่งถูกต้องขึ้นในการในใจนี่ความเป็นธรรมกับเรียกล่วงกับคนอื่นส่นอื่นนนเราไม่มีความเป็นธรรมหาความเป็นธรไม่พบถ้ามีความเป็นธรรมกับที่กัดตายกับเจแล้วมันก็มีความเป็นธรรมไปเรื่อยๆจนเหนือการแก่เจ็บตาย น, น่น ก็เก็บผู้ความเจ็บมันก็ไม่เป็นธรรมเราเก็บตรงเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บเนี่ยคือความเป็นธรรมไม่กระทบผู้เทือนเลยตายไม่ได้ตายผู้ควงตายเห็นมันตายไม่ตายเพราะความตายมันจึงพ้นจากความตายความเป็นธรรมเราทำอย่างนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงเนี่ยความเป็นธรรม มืนทุกเห็นมืนทุกเป็นเป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่คือความเป็นธรรมปรักหาใครมาช่วยทุกข์เองต้องเปลี่ยนไม่ทุกข์เองหลงเองต้องเปลี่ยนตัวเองแต่ช่วยตัวเองจะมาช่วยตัวเองใครจะมาช่วยได้ในสิทธิที่จะเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีหรือว่าปฏิบัติทำเนี่ย ิบาติบททำเนียมันทันใจเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นกร็รู้เดี๋ยวนี้ปัจจุปันนั้นจะเดี๋ยวนี้โยทำมังตะตตวิปัสสติเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นขยันเข้าไปขยันรู้เข้าไปนี่ว่าภาวนานี่จึงจะเป็นทันใจแ ท, ะทะ้ได้ประโยชน์แ ท, ะทะ้แล้วปล่อยชีวิตเราริงมาเท่าไหร่ ความหลงมนาะอยู่ที่ใจเป็นหลงออทิ้งความหลงมาในกาลในใจแล้วร้าย ใ, ใจก็ไม่เป็นธรรมเลยทุกเป็นทุกอ๋อทิ้งความทุกข์มาในกาล ใ, ในใจแล้วโกรธเป็นโกรธก็คือทิ้งความไม่เป็นธรรมมาในกาล ใ, ในใจแล้วเละเป็นเลยวะ น, นะไม่แย่ใคไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนร้ายเป็นดีเลอะเทอะไปหมดเลยกายใจเขาเราส้องสอนหมกมุ่นโบกเปื้อนวุ่นหมอยไปเลยหรือว่าคนคนกี่มันโผลเปกันไปพวกคนที่ตกโรกเป็นเปรกเป็นสุรกายถ้ายังเป็นคนอยู่เมื่อใดก็ต้องไม่โอกาสตกโรคเป็นเปิกสุรกายสติรัชาน โง่หลงก็ยังหลงอยู่โง่หลงมันกันกู้ไปเลยแล้วอสุรกายทําไมไม่เปลี่ยนให้เป็นรูทุก็เป็นทุกเนี่ยสุรกายไม่มีปัญญาไม่มีสติเปลี่ยนเป็นทั่วไปทุกลอยอยู่ทําไมไม่เปลี่ยนมันยิ่งกว่าอสุรกายเชียด้วยทําตามความโกรธเกียผู้เชี่ยคน ถามตามความทุกข์จนตีอกซกต่อยตัวองฆ่าตัวตายในอาุีกายแท้ๆเาเห็นอาชีวกายใชไหนถ้ามันม so so ีคนเราก็ไม่อยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีชุวะกายมันเกิดจากนี่ก่อนถ้กลัวตกนรกก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยถ้ากัวเปลนเปลกก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เนี่ย กวัวไปแสันนลโลกก็เปลี่ยนความทุกข์ความไปทุกข์เดีมีไหมหลงมีไหมก็มันมีก็รีบเปลี่ยนเจ็ดวันเข้าคอร์สเนี่ยมาจจะค่อยสอนสอนเลยค่อยหมดไปเบมบางไปเป็นนิสัยขึ้นมาเออเคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนี้ได้จะได้ใช่ไม่ใช่จะได้ก็ใช้ได้ ที่แรกก็จะไห้มากจังยากมากที่แรกนะไม่อยากหลงก็หลงไม่อยากคิดก็คิดนั่นแหละงานของเราหยุดความคิดไปเป็ดนอนเวลานอนบีบตาเข้าเพื่อไม่ให้มันคิดมันนอนไม่หลับผพรวมคิดบีบตาเข้าไปมันก็ยังไม่หยุดเพไม่หัดไปหั ด, หดถักลมผ้าด้วยเขา่ามันก็ทําไม่ได้ พอใหมเคยหัดมาก่อนไม่ฝึกมาก่อนแล้วก็ใช่ไม่เป็นเลยอดไปได้หลงโกรธก็อดไม่ได้งโง่ชอบไอยกันทําดังความโกรธพูดออกไปใสงไปเป็นฆ่ากันไปมันอ ด, ดไม่ได้ทนไม่ได้มันหักลําพ่า้วยเขามันทำไปแล้ต้องฝึกไหวฝึกไหวฝึกไหวให้เป็นปัจจัยเป็นนิสัย มันจร้จะทำได้เหมือนข้าจึกมาในไม่มีป้อมปาการไม่มีชติข้าจึกก็มาถึงจุกเป็นจุกข้าจึกจะได้แล้วทุกเป็นทุกข้าจึกจะได้แล้วกาลังคนแพ้แล้วจเหลือไม่เรามีข้าจึกใช่ไหม ถาจะกลายเปนชนะหรือว่ากำลังพลชนะตรงเนี้ถ้าเป็นนักลบนะแล้วก็ไม่มีความแม่นยําไม่ฝึกไว้ไวชํานาญสติต้องหมาก่อนเดี๋ยวนี้ความฉุกความทุกข์มาก่อนมันเลยเป็นอย่างนี้ก็เลยลับแบกอกรบสุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกโกรเป็นโกรหลงเป็นหลง หรือใช้ใข้ามเกี่ยวด้วยต่างๆเป็นอย่างนั้นจ้ะนี่มันเราก็เลยกำลังพลก็อ่อนเออพ่อยแพ้ไปเลยป่าไรใช้ไปเลยป่อาลรใช้นี่คือปาไรชีกเลยป่าไรชีกคือห้ามสวรรค์นั้นได้ผ่านเลยหลงเป็นหลงเลยห้ามสวรรค์ น, นี้ผ่านแล้วทุกเป็นทุกห้ามสวรรค์ น, นี้พ่านแล้ว สอนในพานแม่ไม่มีเนี่ยจึงเห็นหลงเป็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลวงพูดจากความหลงเนี่ยไปแล้วไปสู่มรรคสู่ผลแล้วทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเนี่ยไปสู่มรรคสู่ผลหรือถ้าทุกเป็นทุกเนี่ยไปชั่วบายห้ามสอนท่านในพานแล้วว่อนบอลแล้วไปสำเร็จนะเนี่ยมันจะเป็นทุกไป สู่อามายก็เป็นอยู่นี่ไปก่อนทางมาแยกตรงนี้แยกตรงนี้ให้ความสำคัญตรงนี้ชีวิตเราต้องให้ความสำคัญตรงนี้จึงจะมีข้าปรลก็ข้อเจอวันเนี่ยข้เต็มที่จ่าม่ต้องคิดอะไรโสตายท่านเปนตายเอา อ, อิมาหังเพื่อว่าอาตับหวังอำนากลงปริษัทจชามิ เราเหมือนจ้าจปะปฏิบัติวิปัสสากับฐานแม่เลือดเนื้อกระดูกกระพูพังไม่ก็ตองก็สู้ตรงนี้สู้ไว่แลามันหลงจะไม่หลงตรงนี้ไม่ได้สู้ดิงเหยยยงื่อไหลคลายย้อยเหงื่อไม่ออกสู้กับความหลงต่อสู้ไม่ได้ก็หลงเป็นหลงแล้วเ่าถ้าสู้ก็ยื่ยมหัวลอกความหลงเหมือนได้ประโยชน์มันเป็นปุ๋ยแห่งความไม่หลง หัวเลาวาหลงหัวลาวาคิดแรียกว่ามันงอกงามขึ้นทีน่นี้หนอ่อโพธิเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีปุ๋ยคือความไม่ดีเป็นอกุศลมันจึงงามในกุศล ข, ขึ้นมาพระเจ้าชนะทุกข์ใช่ไหมจึงดปพุทธะถ้าไม่มีทุกข์พระเจ้ามันเป็นพระที่เจ้าแล้วเห็นทุกข์เนี่ย เห็นเหตุได้เกิดทุกเนี่ยเห็นทางดับทุกปฏิบัติต้มท้อดับทุกได้แล้วทำได้แล้วนี่เลยว่าตัดจะดูมันหลงเปลี่ยนหลงได้แล้วมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นลูกแล้วเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ใช่อ้อนวอนอยู่ที่ไหนอุท ธ, ธะคือตัวปัญญาเห็นธรรมพวกนั้นเห็นพทธิยา้า พูดเลห็นธรรพุทธเห็นพระพุทธเจ้าพูดเลยเห็นธรรคือผู้เห็นปฏิจจุาบบะฏอยู่ฐานธรรมมีเสมาสมัรรมจักคือสิ่งที่เนื่องด้วยกันเพราะหลงจึงทุกเพราะหลงจึงโกรธเพราะหลงจริ ง, อ, ง, ร ง, ร อ, ง, รงอะไรต่างเยอะๆไปเลยหลงเป็นตัวใหญ่เป็นมารดาของอกุศลชั่วไปเลยลูกเป็นทางกุศลดีไปเลย เราจะเลือกไหนชีวิตเรามันเลือกได้เรียกว่าเลือกได้บุญวาสนาเนี่ยเลือกได้ไม่ใช่ว่าแข่งไม่ได้แข่งได้ทํำไมจะแข่งไม่ได้พรเราทําได้ไงหลงเป็นไม่หลงทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยมีบุญวาสนาเนี่ยบุญได้ตรงนี้เลยทุกเป็นทุกเนี่ยคนมีบาปโกรธเป็นโกรธคนมีบาปไปกวัวบาปที่ไหนกัน บอบกินนดก็ที่ในสัญดานเดยในสัญดอนนี่คือใจคือใจนี่เอาหมายตรนี้เพียงสอนะลาแบบปฏิบัติพอนะเราเพื่อจำคำสอนหลงพ่อเทียนนะจะเข้าไปในความคิดเห็นมันคิดก็เห็นแต่ความคิดเนี่ยมันแสดงมามีลูกก็คิดถึงลูกมีแมวคิดถึงเมเนี่อะไรก็คิดถึงเรื่องนั่งก็บกอบมา รู้จักตัวกัหมอรู้จักตัวมีสติดูกายเ้นไววให้ัจไปคชิคดหนิอุ้ยเพียงพอเลยเพียงพอไปอยู่ที่ไหนก็บีพร้อ ม, มน้องจะทำได้เด่งเนี่ยอาอสมควรใจเวลากลับะพร้พอมกัน